ลาบเกิดและเสื่อมได้อย่างไรต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะข อ, อนำท่านเข้าสู่ปัญหาที่ว่าลาบเกิดและเสื่อมได้อย่างไรซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับปัญหาที่ว่าเสื้อริดึงดูดเอาลาบมาให้ได้อย่างไรนั่นเองและจากการศึกษาเรื่องการมาของลาบท่านจะได้ความเข้าใจที่มีคุณแก่ตัวท่านเองอย่างหาค่าม่ได้ เหมือนกับเรารู้เรื่องราวของแขกที่มาหาเราที่บ้านว่าเขาเป็นชาวบ้านใดเมืองใดและเหตุผลกนใดเขาจึงมาหาเราเมื่อเรารู้เหตุที่ทำให้เขามาแล้วการที่จะรู้เหตุที่ําให้เขาจากไปก็ง่ายเข้ามากแล้วก็ขอย้ำความเข้าใจของท่านผู้ฟังอีกครั้งว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลดังนั้นทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยโดยไม่มีเหตุทำให้เกิดพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงก็มั่นใจในเรื่องนี้อยู่โดยทั่วกันความชงนสนเทนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่จริงแต่อยู่ที่ว่า ผลบางอย่างเกิดจากเหตุที่ลึกลับซับซ้อนจนยังไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาของสามัญชนสาวไปให้ถึงได้เท่านั้นแม้แต่เรื่องการได้ลาบนี้ก็เหมือนกนราบบางอย่างหรือบางคราวเกิดจากเหตุที่ไกลเกินกว่าปัญญาของสามัญชนจะพึงเห็นได้โปรดลองใช้เวลาพิจารณาตามข้าพเจ้าไปอย่างชา้า ดูสักห้านาทีบางทีจะช่วยท่านได้บางเพราะว่าบางทีเศษกระดาษเก่าๆที่ท่านปาทิ้งออกนอกบ้านมันอาจปิดเพชรราคานับหมื่นไว้ก็ได้ตอนไม่มีอะไรหยุดนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างย่อมหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันอยู่เสมอโปรดอ่าน ความข้างต้นนี้อีกครั้งถ้าท่านจำได้แล้วดีแล้วลองปิดหนังสือแล้วว่าข้อความประโยคนี้ให้ท่านเองได้ยินเสียงตนเองชัดๆสามครั้งนี้เป็นสูตรแก้ทุกข้อแรกที่ข้าพเจ้าหยิบยื่นให้ท่านท่านผู้ฟังที่เคารพไม่ว่าสิ่งใดทั้งนั้นที่มีอยู่ในโลกนี้แท่นป้าทกถานี้ ไมโครโฟนแก้วน้ำโรงประชุมเก้าอี้ตัวที่ท่านนั่งเสื้อกางเกงที่ท่านสวม ร, รวมทั้งตัวท่านเองและตัวของผมด้วยตลอดทุกสิ่งทุกอย่างทุกชิ้นทุกอันในโลกนี้และรวมทั้งตัวโลกเองดาวเดือนและตะวันโดยเบ็ดเสร็จทุกอย่างเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งเลยมันย่อมไปทุกขณะ ไปสู่จุดสลายตัวของมันเองความตอนนี้ท่านจะต้องคิดคิดให้เกิดความเข้าใจโปรดฟังและคิดไปตามขพเจ้าช้าๆอย่ารีบร้อนท่านที่เคารพทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอยู่ในลักษณะเดินสวนทางกันเท่านั้นคล้ายๆกับเราไปเที่ยวงานรัฐธรรมนูญหรืองานวัด แต่ละคนเดินสวนกันไปสวนกันมาวนๆเวียนๆ เ, เสร็จแล้วถึงเวลาพอสมควรต่างคนต่างทยอยหายออกไปจากบริเวณงานโปรดหยิบอะไรขึ้นมาสอบสวนดูสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่ใกล้มือเอาละ่ะสมมติว่าหนังสือเล่มนี้ก็ได้ลองสอบถามมันดูสิว่ามันมาจากไหนและจะไปไหน เดิมทีแผ่นกระดาษเหล่านี้ก็เป็นต้นพืชอยู่ในป่าเดินทางจากป่าเข้าไปในโรงงานกระดาษจากเครื่องจักรตัวนี้ไปตัวนั้นจากตัวนั้นไปตัวโนนกลายเป็นกระดาษออกจากโรงงานเข้าไปอยู่ในโกดังออกจากโกดังขึ้นรถลงเรือมาเมืองไทยขึ้นจากเรือเข้าไปพักใน โกดังท่าเรือของเตยออกจากท่าเรือของเตยมาอยู่ในร้านขนส่งจากร้านขนส่งไปร้านขายปลี่แวะโรงพิมพ์จากช่างพิมพ์ไปหาช่างเขาเล่มช่างตัดช่างหอ่อจากโรงพิมพ์ไปร้านขายเรื่อยมาจนมาอยู่กับท่านในขณะนี้ แม้ในขณะนี้เองบางท่านอาจเข้าใจว่ามันไม่ได้ไปไหนมันหยุดอยู่แต่ความจริงแล้วมันอยู่ในสภาพหยาบๆในส่วนรูปโค้มเท่านั้นส่วนรายละเอียดคือคุณภาพของส่วนต่างๆหาได้หยุดอยู่ไหมมันค่อยๆเสื่อมไปแปรไปทุกขณะนาทีทีเดียวสีที่พิมพ์ตกจ้างไปเรื่อยเนื้อกระดาษ เปลือยยุ่ยไปเรื่อยทุกๆตรางมิลลิเมตรในหนังสือนี้ได้กำลังแปลคุณภาพไปเรื่อย ท, ท, ทั้งๆที่ท่านถือมันอยู่นี่แหละแล้วก็ไม่ว่าท่านเองจะเป็นใครก็ตามมันก็ไปในนานเข้าตัวมันทั้งตัวก็จะเดินทางจากท่านไปโ น, น่นลงไปในตะกร้ารับเศษกระดาษแล้วไปรวมที่ทังขยะ เสร็จแล้วก็ขึ้นรถเทศบาลออกไปนอกเมืองไปรวมกันตากแดดตากฝนพอสมควรแล้วก็สลายตัวไปจากต้นพืชเมืองนอกมาสู่จุดสลายตัวในเมืองไทยท่านผู้ฟังโปรดคิดช้าๆที่เรามานี้เป็นวิถีทางของหนังสือเล่มนี้แต่เล่าย่อๆลัดเอาพอให้เห็นว่า มันหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันอย่างไรถ้าจะเล่ากันอย่างละเอียดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสลายตัวของมันว่ามันไปแวะที่ไหนบ้างอีกชั่วโมงหนึ่งก็ไม่จบแม้แต่ตอนจากเราไปแล้วบ้างอย่างก็ไม่ใช่ตรงไปขึ้นรถเทศบาลทีเดียวอาจแวะไปกับเจ็กซื้อขวดวกเข้าไปอยู่ร้านขายหนังสือเก่าในเวิรนค ร, รเกษม แล้วก็ไปอยู่กับผู้มาซื้อได้ผู้อุปการะใหม่อย่างนี้ก็ได้หรืออาจไปถูกพับเป็นถุงใส่ขนมขายแล้วเลยไปติดค้างที่บ้านคนซื้อขนมก่อนจึงค่อยจับรถเทศบาลไปสู่จุดสลายอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าเส้นทางตรงบ้างอ้อมบ้างแต่ทุกสิ่งก็บ่ายโฉมหน้าไปสู่จุดสลายตัวของมันเองทั้งนั้น นี่แหละที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างยอมหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันอยู่เสมอโปรดขยายขอบเขตการพิจารณาออกไปอีกเสื้อที่ท่านสวมอยู่เวลานี้มันก็เดินทางมาจากที่อื่นมาผ่านท่านและขณะนี้เองมันก็กำลังหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันเหมือนกันท่านพอจะนึกย้อนไปดูเส้นทางที่มันมา และคาดคะเนวิถีทางที่มันจะไปข้างหน้าได้แล้วใช่ไหมถ้าได้ก็โปรดนึกดูผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋าของท่านมันก็กำลังไปเก้าอี้ที่ท่านนั่งก็กำลังไปคนที่ท่านรักทุกคนกำลังไปทั้งนั้นแต่ต่างคนต่างไปตัวท่านเองก็กำลังไปผมก็กำลังไปเราทุกคนกำลังไปทั้งนั้น และต่างคนต่างไปสังขารร่างกายของเรานี้มันก้มหน้าก้มตาไปของมันเรื่อยเราตื่นอยู่มันก็ไปเราหลับอยู่มันก็ไปแม้จะเอาเพชรนินจินดามาประดับให้มันรอบตัวมันก็ไปมันจะไปไหนละ่ะท่านเองก็ทราบแล้วสมตามที่ผมว่าแล้วว่า การมาสู่โลกนี้ของเราเป็นเพียงการเดินสวนทางกันเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันอยู่เสมอท่านที่เคารพท่านเห็นหรืออย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันอยู่เสมอจริงเพียงไรทั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่จำคำของผมเท่านั้น ท่านควรจะต้องได้ความรู้สึกในใจของท่านเองด้วยถ้ายังไม่เห็นเจ็มในใจขอให้พิจารณาต่อไปอีกหยุดอ่านเพียงเท่านี้แล้วนึกทบทวนเสียอีกหลายๆครั้งก็ได้มันจะไม่เป็นการเสียเวลาโดยปรบประโยชน์เลยที่ท่านจะตึกตรองให้เห็นชัดแก่ใจของท่านเองความเห็นแจ้งแก่ใจตนเองในประเด็นที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างยอมหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันอยู่เสมอนี่เป็นยากแก้ทุกขนาดวิเศษที่ท่านจะหาซื้อจากห้างร้านใดๆไม่ได้เลยมันแก้ได้จริงๆถ้าท่านพิจารณาให้เห็นความจริงอันนี้แม้แต่ฟังปาฐกถามาถึงตรงนี้ท่านก็เริ่มเกิดความคลี่คลายบางอย่างขึ้นในใจแล้วใช่ไหม ตอนลาบมาได้แย้มไว้ในตอนก่อนบ้างแล้วว่าสิริเป็นแรงดึงดูดให้เกิดลาบในตอนนี้ใครจะขยายความเรื่องแรงดึงดูดให้ดูกว้างออกไปอีกสักเล็กน้อยเพื่อนําไปสู่ความเข้าใจในเรื่องความเกิดและความเสื่อมแห่งลาบแรงดึงดูดนั้นมีอยู่หลายลักษณะ และอาจมีอยู่ในบุคคลหรือในสิ่งของก็เป็นได้อยู่ว่าพุทธิกาสมาคมนี้ก็มีแรงดึงดูดดูดเอาคนแสดงปาทกถาและคนฟังปาทกถาให้มารวมกันได้เป็นจำนวนร้อยๆวัดพระแก้วก็มีแรงดึงดูดดูดเอาคนดูดเอาดอกไม้ทูบเทียนให้ไปสู่จุดนั้นจำนวนมากมา สนามมวยก็มีแรงดึงดูดดูดเอาคนเข้าไปยัดเยียดกันจนแทบจะกระดิกตัวไม่ได้สนามม้าก็มีแรงดึงดูดดูดเอาคนดูดเอาม้าไปมั่วสุมกันเป็นพันๆเหมือนกันโรงยาฝินก็มีแรงดึงดูดดูดเอาคนเข้าไปนอนอุดอู้อยู่ไม่ขาดแต่ละวันคิดดูต่อไปเองก็แล้วกันชั้นที่สุด คุกตารางก็มีแรงดึงดูดเหมือนกันดูดเอาคนเข้าไปขังอยู่ในนั้นไม่มีว่างเว้นโรงฆ่าสัตว์บางคอแหลมก็มีแรงดึงดูดบัวควาอยู่ถึงหัวเมืองไหนๆก็หลั่งไหลป้อนเข้าที่นั่นน้ำตกสาริกานครนายกดอยสุเทพเชียงใหม่พระพุทธบาทสระบุรี เหล่านี้มีแรงดึงดูดทั้งนั้นแรงดึงดูดนั้นถ้าไปมีอยู่ในสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ดึงดูดเอาสิ่งที่เคลื่อนที่ได้เข้าไปหาดังเช่นที่ยกตัวอย่างมาแล้วและสิ่งที่จะถูกดูดเข้าไปก็ต้องเป็นสิ่งที่มีธาตุอย่างเดียวกันหรือมีธาตุนิยมอนุโลมแก่กันเท่านั้นคุกตารางก็ดูดเอาคนทำผิด สนามม้าก็ดูดเอาพวกาธาตุนิยมทางเล่นมา้าสนามมวยก็ดูดเอาพวกาธาตุนิยมทางดูเก่าชกต่อยกันยูอาพุทธิกาสมาคมก็ดูดเอาพวกาธาตุนิยมทางฟังปาตกะถาอย่างนี้เห็นได้ง่ายในตัวคนเราแต่ละคนก็มีแรงดึงดูดอยู่ในตัวมากบ้างน้อยบ้างดีบ้างชั่วบ้าง แล้วแต่ใครจะสะสมแรงดึงดูดชนิดใดไว้ความรู้ต่างๆที่เราสะสมไว้ตั้งแต่รู้จักอ่านรู้จักเขียนรู้จักทำเลขที่รำเรียนมาทีละอย่างสองอย่างตั้งแต่เล็กจนโตการแสดงกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยการอบ อ, อ้อมอารีต่อคนอื่นและอื่นๆอี ตลอดจนเกียรติยศเกียรติคุณทั้งปวงรวมกันเข้าแล้วก็กลายเป็นที่พยาภาพขึ้นในตัวของเราเรียกตามตำราว่าสิริเป็นแรงดึงดูดชนิดดีการทำชั่วต่างๆเช่นเจยดครานรังเกียจตคนอื่นรู้มากขี้ชอ่อตอแหลและอื่นๆอีกเหล่านี้ รวมกันเข้าแล้วก็กลายเป็นแรงดึงดูดขึ้นในตัวเราอีกชนิดหนึ่งแต่เราเป็นแรงดึงดูดชนิดชั่วแรงดึงดูดชนิดดีก็ดูดเอาแต่ของดีๆเอาแต่คนดีๆเข้ามาหาดูดเอาช่อดอกไม้ดูดเอาพวงมาลัยดูดเอาใบประกาศสัยบัตรความชอบดูดเอาตำแหน่งดีๆ ด, ดูดเอาเพื่อนดีๆ ดูดเอาเมียดีลูกดีเข้ามารวมทวนความจำอีกนิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างยอมหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันอยู่เสมอขณะที่มันกําลังหมุนเคว้งไปตามวิถีทางของมันนั้นพอไปถูกแรงดึงดูดเข้าที่ใดมันก็เข้าไปรวมกันที่นั่นคนที่เป็นเจ้าของแรงดึงดูดก็ดีอกดีใจ เรียกว่าได้ลาบท่านผู้ฟังเห็นหรื อ, อยังว่าลาบเกิดขึ้นได้อย่างนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งดีๆมันเข้าไปสู่จุดรวมกันเพราะถูกแรงดึงดูดดูดเข้าไปความจริงสิ่งต่างๆที่เราว่าเป็นลาบหรือได้ลาบนั้นก็เป็นการหมุนไปตามวิถีทางของสิ่ ง, น, งนั้นนั่นเอง อย่างคนสิบคนเดินทางจากอุบลจะไปสงขลาพอผ่านกรุงเทพผู้ที่มีท่านิยมไปทางฟังปาทกระถาก็ดูดมาแวะวัดกันพวกชอบดูมวยก็ถูกดูดไปสนามมวยพวกชอบดูหนังก็ถูกดูดไปเข้าโรงหนังแวะไปปะไปเรื่อยๆกว่าจะถึงสงขลาอันเป็นที่หมายปลายทาง การได้ลาบก็คล้ายกับที่ว่ามานี่แหละที่ว่ามานี้เป็นเรื่องดีดูดดีทีนี้ฝ่าชั่วความชั่วก็เป็นแรงดึงดูดเหมือนกันแต่ชั่วก็ดูดชั่วแทนที่จะดูดเอาช่อดอกไม้หรือพวกมาลัยอย่างว่ามาแล้วก็ดูดเอาไม้ตะพดเอ่ยไม้คมแฝกเอ่ยลูกกระสุนเอ่ยกุญแจมือเอ่ยโซ่ตรวนเอ่ย คุกตารางเอ่ยไม่น่ารับประทานทั้งนั้นใครเป็นเจ้าของแรงดึงดูดชนิดชั่วพอมันดูดของชัวช่วชั่วเข้าไปรวมก็ร้องโอ้เึกว่าเคราะร้ายเต็มที่พิจารณาคืบหน้าไปอีกนิดตอนนี้เป็นความรู้ที่ต่อเนื่องกันอย่าเพิ่งหยุดพักประเดี๋ยวจะเข้าใจยาก การที่ของดีๆคนดีๆมารวมที่เราทําให้เรารู้สึกว่าได้ลาบก็คือการที่สิ่งนั้นๆซึ่งกำลังเดินไปสู่จุดสลายตัวของมันแต่ถูกแรงดึงดูดในตัวเราดูดเอามันแวะเข้ามาสู่ตัวเราคือที่จริงมันมาสู่จุดที่มีแรงดึงดูดนั่นเองลาบเกิดขึ้นอย่างนี้และก็ควรจะทราบไปเลยถึงว่า การที่คนเรามีลาบมากหรือมีลาบน้อยไม่เท่ากันก็เนื่องจากว่าเรามีแรงดึงดูดคือความดีไม่เท่ากันใครมีดีมากก็ดูดได้มากใครมีดีน้อยก็ดูดได้น้อยใครไม่มีดีเลยก็ดูดไม่ได้เลยท่านที่เป็นข้าราชการเห็นความชัดพอสิ้นเดือนมีเงินจำนวนหมื่นๆื่น เดินทางมาจากคลังมาที่กรมอธิบดีดูดเอาไปหัวหน้ากองดูดเอาไปหัวหน้าแผนกดูดเอาไปเสมียนดูดเอาไปจนกระทั่งผ่านโรงดูดเอาไปได้คนละมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันแล้วแต่แรงดึงดูดของใครมากของใครน้อยคือใครมีสิริที่สะสมไว้มาก เขาก็ได้มากใครมีสิรีสสะสมไว้น้อยก็ได้น้อยบางคนเขาอุตส่าห์ไปสร้างแรงดึงดูดถึงเมืองฝรั่งเขาก็ต้องดูดไปได้มากเรื่องนี้เป็นของธรรมดารู้อย่างนี้เสร็จแล้วสบายใจหายทุกไปเป็นกองลาบมันมาก็รู้ว่ามันถูกแรงดึงดูดลาบไปมาก็รู้ว่า เพราะแรงดึงดูดของเราอ่อนหรือไม่ก็เพราะแรงดึงดูดของเราไม่ตรงกับธาตุของเขาไม่ต้องไปมัวนั่งทุกข์ระทมใจว่าคนนั้นแกล้งคนนี้แกล้งเสียเวลาเปล่าๆตอนลาบอยู่ท่านผู้ฟังได้ทราบกดตอนต้นแล้วว่าความได้ลาบนั้นเกิดจากสิ่งต่างๆ ถูกแรงดึงดูดเข้ามารวมกันในขณะที่สิ่งเหล่านั้นกำลังหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันขอได้โปรดทราบต่อไปว่าการที่ทรัพสิ่งต่างๆที่เราสำคัญว่าเราได้หรือสำคัญว่าเป็นของของเราเหล่านั้นมันอยู่กับเราก็เพราะถูกเราเหนี่ยวรั้งเอาไว้จะเป็นการเหนี่ยวรั้งด้วยการบังคับก็ตามด้วยแรงดึงดูดก็ตาม ความจริงสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้อยากอยู่กับเราเลยมันอยากไปแต่เราไม่ยอมให้มันไปธนบัตรของเราถูกกักขังไว้ในซองหนังแล้วซองหนังก็ยังถูกกักไว้ในกระเป๋าเสื้อเสื้อถูกยึดไว้ที่ร่างกายเพราะอย่างนี้มันจึงอยู่เราลองเลิกเหนียวรั้งเอามันโยนไว้ข้างถนนดูสิรับรองว่าไม่ถึงชั่วโมง พวกนี้กลายเป็นอื่นไปหมดรถที่จอดไว้ต้องใส่กุญแจเสื้อผ้าทีซักแล้วตากไว้ที่หลังบ้านก็ต้องคอยดูคอยเก็บไม่อย่างนั้นมันก็ไปกันหมดคนเราหนุ่มหนุ่มสาวสาวที่รักกันก็เพราะถูกแรงดึงดูดของกันผูดจาก็หวานแสดงน้ำใจก็ดีเขาดีเหลือเกินไม่รักก็ทนไม่ได้ บางทีคนคนเดียวถูกแรงดึงดูดสองทางสมทางชักยุ่งเหมือนกันเลยเข้าทำนองรักพี่เสดายน้องการที่ชายหญิงยังอยู่กินด้วยกันเป็นสามีภรรยากันก็อยู่โดยถูกแรงดึงดูดของอีกฝ่ายหนึ่งดูดไว้ถ้าหมดแรงดึงดูดที่เรียกว่าหมดอะไรใหญ่ดีต่างคนก็ต่างจะหมุนตัวออกห่างจากกันไป ไปตามวิถีทางที่ว่ามาแล้วถ้าไปเจอแรงดึงดูดเข้าที่ใหม่ก็ได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากันใหม่บางทีหอบกระเป๋าหนีไปตั้งหกเดือนแล้วถูกเนื้อคู่คนเก่าดูดกลับไปงอนง้อเขาก็มีเรื่องอย่างนี้เห็นได้ง่ายทดลองดูก็ได้ลองคลายแรงดึงดูดในตัวของท่านลงแล้วสังเกตดูอีกฝ่ายหนึ่งสิ เขาจะเป็นอย่างไรพูดง่ายๆมิรจิตคือความรักเป็นแรงดึงดูดอย่างหนึ่งถ้าเราแสดงความรักต่อคู่ครองของเรามากเท่าไหร่เขาก็รักเรามากขึ้นเท่านั้นถ้าเราแสดงความรักต่อเขาน้อยลงเช่นลดคําพูดน่ารักลงลดกิริยาน่ารักลงเขาก็จะรู้สึกว่ารักเราน้อยลงน้อยลง นี่วิจีทดลองดูอิทธิพลแรงดึงดูดแต่ระวังอย่าไปทดลองบ่อยๆเข้าละ่ะประเดี๋ยวเขาเกิดหลุดลอยหมุนไปสู่จุดสลายตัวของเขาจริงๆรั้งคืนไม่อยู่ก็จะยุ่งกันใหญ่รวมความว่าทั้งของทั้งคนที่ยังอยู่กับเราก็เพราะเรารั้งเอาไว้อย่าว่าแต่ของอื่นเลยร่างกายของคนเรานี่เอง มันก็อยากไปสู่จุดสลายตัวของมันเวนละห้าร้อยครั้งที่มันยังอยู่ก็เพราะเราไม่ยอมให้มันไปเท่านั้นแล้วจะอธิบายให้ฟังตอนโลกธรรมข้อสุดท้ายตอนลาบไปเพียงแต่เราทราบการมาและการอยู่ของลาบยังไม่พอจะต้องทราบเรื่องการไปของลาบด้วย จึงจะจบคนเราที่ต้องทุกข์ใจอยู่เป็นอันมากก็เพราะเรียนไม่จบเรื่องนั่นเองลาาเขาจะต้องแสดงความเป็นไปให้เราดูถึงสามตอนคือตอนมาตอนอยู่แล้วก็ตอนไปทีนี้เรารับรู้เพียงการมากับการอยู่สองอย่างเท่านั้นการไปเราไม่รับรู้แต่เรื่องของเขาจะต้องไปไปแน่ๆ อยู่ไม่ได้ไม่ว่าเราจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ตามฉะนั้นพอเขาไปจริงๆเราก็เลยทุกทุกที่ไม่นึกฝันเลยว่าเขาจะไปเหมือนเราชอบผลมะม่วงเรารับรู้แต่เพียงว่ามะม่วงมันโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็สุกเรารับรู้แต่มันสุกพอดีพอดีเท่านั้นไม่ได้รับรู้ด้วยว่า ธรรมดามะม่วงนั้นมันจะพอดีพอดีอย่างใจเราอยู่เรื่อยไม่ได้เมื่อมันพอดีพอดีไปถึงสุดความพอดีแล้วมันก็ลดความพอดีลงความเสียก็มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งงอมแล้วเน่าไปในที่สุดเรื่องของมะม่วงต้องเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้เรารับรู้เพียงแค่มันสุกพอดีพอดีเท่านั้น เวลามันงอมและเน่าเราเลยเสียดายเป็นทุกข์เรื่องคนกับลาบก็ทำนองเดียวกันนี้ข้าพเจ้าได้ว่ามาแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเดินทางไปสู่จุดสลายตัวของมันเองการที่มันมาอยู่กับเราที่เราดีอกดีใจว่าได้ลาบนั้นเป็นเพียงการมาแวะเยี่ยมหรือแวะมาผ่านชั่วคราวเท่านั้น แม้ที่มันยังอยู่กับเราก็เพราะถูกเราเหนี่ยวรั้งเอาไว้เหมือนแขกมาหาเราเขาอยากจะจากไปอยู่ทุกขณะแต่ถูกอ้อนวอนหรือกีดกันเอาไว้ก็จำใจอยู่ต่อไปอย่างนั้นเองเราเลิกเหนี่ยวรั้งเมื่อไหร่เขาก็ไปเมื่อ น, นั้นหรือถึงคราวสมควรแล้วแม้เราจะรั้งอย่างไรอย่างไรเขาก็ต้องจากเราไปตามทางของเขา ลาบทุกอย่างก็อยู่ในลักษณะนี้คือผ่านมาแวะที่เราแล้วก็จากเราไปโดยในนี้การเสื่อมลาบจึงไม่ใช่ปรากฏการพิเศษที่เราต้องประหลาดใจมากมายจนเกินไป